ฉันยอมให้เธอหมดแล้วทุกทุกอย่างขอเพียงให้เธอเห็นใจกันนั่งมองอ่อนวอนบนฝ้ายเธอบอกว่ารักกันแม้มันไม่มีทางก็รู้ ฉันรู้อยู่ว่าเธอมีเขาเต็มหัวใจตลอดเวลาเธอหายใจเป็นเขาหยุดหายใจก่อนจะได้ไหมกลัน้นหายใจแล้วคิดถึงฉันหน่อย สักครั้งก็ยังดีเพราะเธอมีเขาทุกลมหายใจที่มีหายใจเข้าออกก็เป็นเขา ใจตายมันฉันรอรักคนที่เขาไม่รักกันแต่สักวันเมื่อไรเธอหายใจไม่ออกแล้วเธออย่าลืมคิดถึงกันก่ มีเขาเต็มหัวใจตลอดเวลาเธอหายใจเป็นเขายุดหายใจก่อนจะได้ไหมกลั่นหายใจแล้วคิดถึงฉันหน่อย แค่เพียงสักครั้งก็ยังดีเพราะเธอมีเขาทุกลมหายใจที่มี ครั้งก็ยังดีเพราะเธอมีเขาทุกลมหายใจที่มีหายใจเขาออกก็เป็นเขา